อาคุณสรัญญามา ก, ก่อนเชิญห้าหรเราทำกันบ้านหรือเปล่าไม่มีมมมอะไรต่ทอะไรแปลกๆ้วสติเกิดไหมไ ม, มีบ้างล้อทำอะไรล่ะที่แปลกๆบาี ก, ก, กมอะกมกอะไรให้รู้ทันนะมันชอบแกล้งปฏิบัติก็มีบางทีทำเป็นแจ้งปล่อยบ้างแกล้งอะไรมั้ย ให้รู้ทันไปเรื่อยๆจนมันเลิกทำเลิกทำแล้วมันรู้เองนะ้เไม่ใช่เลิกทำแล้วลืมไปเลยเราปฏิบัติไปช่วงหนึ่งพอสติตัวจริงเกิดนะสติจะเกิดเองยะค่อยๆเกิดถีขถ่ขึ้นมาถี่ขึ้นมาหัดใหม่ๆสติก็เกิดน้อยหน่อยฝึกตามรู้ตามดูนานๆจิตจําสภาวธรรมได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นสติก็จะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จำได้แม่นงั้นเรียนปฏิบัติธรรมนะเรียนหัดรู้จักสภาวะเยสภาวะของรูปของนามเรียนเรื่องพวกนี้แหละรูปธรรมดูยากนะกว่าจะเห็นสภาวะของรูปนี่ยากมากเลยพวกเราชอบนึกกันเอาเองว่าดูกายง่ายดูกายหนังง่ายแต่กว่าจะทะลุจากกายเข้าไปเห็นรูปนี่ยากนะอย่างเราดู มือดูเท้าดูท้องดูลมหายใจอะไรเนี้่อันนี้ไม่ใช่รูปยังไม่ใช่ตัวรูปแท้ๆยังเห็นมือใช่ไหมมือไม่ใช่รูปเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงตัวรูปควรจะเห็นรูปได้ดีเนี่ยต้องทําสมาธิให้ครูบาอาจารย์ตามมัดป่าเนี่ยไม่ทิ้งสมาธิถ้าทิ้งสมาธิจะเห็นรูปไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่ ท่านึสอนว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทําสมาธิพอทําสมาธิจนใจตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานั่งนะรูปมันนั่งรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนจะเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอาด้วยบางคนก็ไปคิดเอาว่าอที่นั่งอยู่เป็นรูปที่รู้เป็นนามถ้ยียงคิดอยู่ยังใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกเอาจะรู้สึกได้ถ้าใจมันตั้งมั่น แต่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นวนะ่าร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนะเป็นรูปธรรมอันนึงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีชื่อเรียกด้วยอันนี้ผมคนเล็บฟันหนังอะไรนีนน่สมมติบัญญัติทั้งหมดเลยในะรูปจริงๆดูยากนา ม, มาทำดูง่ายนะนา ม, มาทำอย่างความรู้สึกทั้งหลายใครๆก็รู้จักความโลภความโกรธความหลงใครๆก็รู้จักนะ ความดีใจความเสียใจความอิจฉาพยาบาทความกลัวความกังวลอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็รู้จักกันทุกคนหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆง่ายๆดูไปง่ายๆหัดดูเรื่อยๆอย่างถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อจะสังเกตคนที่เคยมาเรียนแล้วจะเข้าใจเวลาเผลอไปเวลาหลงไปอะไรเนี้ยหลวงพ่อมักจะบอกให้ ว่าเผลอไปแล้วนะอะไรเงี้ยบอกให้เพื่ออะไรเพื่อให้พวกเรารู้จักสภาวะนั่นงถ้าเรารู้จักสภาวะว่าเผลอเป็นยังไงนะจิตมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงต่อไปพอเผลอแล้วสติจะเกิดเองความเผลอเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเลยนะคือความหลงความเผลอโมหะเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเลยนั้นถ้าเราจับไอตัวเรารู้ทันความหลงความเผลอได้นะ จะปฏิบัติได้เยอะมากเลยอย่างถ้าหาัดรู้จักแค่ราคะโทสะอะไรเยโทสะนะนานๆเกิดทีหนึ่งนะแต่ความหลงความเผลอนี่เกิดตลอดเวลาเล ย, ยถ้าจับเอาตรงความเผลอความหลงได้นะเราจะปฏิบัติได้ทั้งวันสติจะเกิดถี่ยิบขึ้นมาพนะราคะโทสะอะไรพวกนั้นก็เป็นลูกของความหลงอีกทีหนึ่งความเผลอค่อยๆหัดรู้จักสภาวะนะ ต่อไปพอใจเราเผลอไปอย่างสูญหันรู้จักความเผลอพอใจเราเผลอไปแป๊บเนี่ยสติจะระลึกขึ้นได้เองว่าเผลอไปแล้วสติทําหน้าที่ระลึกนะสติไม่ได้ทําหน้าที่กําหนดสติทําหน้าที่ระลึกนะสติแปล ว, ว่าความระลึกได้มีลักษณะก็คือความไม่เลื่อนลอยใจของเราชอบเลื่อนลอยลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติสติมีลักษณะไม่เลื่อนลอย จิตใจอยู่กับเนื้อคตัวใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อคตัวเรียกว่าสัมมาสมาธินะนตั้งมั่นอยู่กับเนื้อคตัวมีสติรู้กายมีสติรู้ใจในที่สุดปัญญาก็เกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจหรือความเห็นใสละของกายของใจนั่นเองปัญญามันเกิดเนี่ยใจิตใจจะป ล, จปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจ ภารกิจทางศาสนาพุทธนะั้นไปจบลงตรงที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้โดยเฉพาะปล่อยวางความยึดถือจิตนี่นะยากที่สุดเลยนะถ้าปล่อยได้ก็คือไม่มีภาระไม่มีการงานอะไรเลย อ, อีกแล้วความพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นตรงนั้นเลยเน้นต้นทางการปฏิบัตินะฟังหลวงพ่อไปฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะถ้าฟังไม่รู้เรื่องแล้วรู้สึกงงงงงรู้ว่ากําลังงงรู้ที่ความรู้สึกหัดรู้จักสภาวะนะ เรียนอย่างเดียวเลยถ้ามาหาหลวงพ่อนะเรียนเรื่องเดียวหัดรู้จักสภาวะต่างๆไปเช่นใจลอยไปเม่อไปคิดไปนะไปเพ่งเอาไว้นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลบโกรดหลงเกินะสภาวะต่างๆไปหัดรู้ไปเรื่อยๆพอนะนะหัดรู้สภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดใหม่ๆเรารู้จักสภาวะไม่กี่อย่างนะสติก็เกิดน้อยหน่อยไปพอ ร, รู้จักสภาวะเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้จักได้แม่นยําขึ้นสติจะเกิดเร็ว อย่างสมัยเราหัดรู้จักโทสะรู้จักความโกรธใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้ตัวว่าโกรธหัดไปเรื่อยๆขัดใจเล็กๆก็เห็นละนี่ความโกรธเหมือนกันขัดใจเล็กๆพอเริ่มขัดใจนิดหนึ่งก็มองเห็นสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรียนเถี่ยวหลวงพ่อไม่มีอะไรมากนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติมันเกิด เมื่อสติเกิดแล้วจิตมันจะตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันจะเกิดจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยปัญญามันจะเกิดคือมันจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ได้จริงง่ายๆเท่านี้เองนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดติกย่อยแต่ละคนแตกต่างกันนะทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันด้วย บางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตการรู้กายก็แยกแยกย่อยออกไปได้อีกเยอะแยะนะอย่างรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถสี่รู้ความเคลื่อนไหวสายลมพัะเทียนก็อยู่ในสัมปชัญญะบัพเพารู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งการคู่การเดียวเียรู้ไปเรื่อยใจก็จะตื่นขึ้นมาใจมีสติรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเน่ที่ลักอุสาควากรรมฐานนานาชนิด เพื่อจะให้รู้สึกตัวเพื่อจะให้ตื่นขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้นะปล่อยวางได้ไม่ยากเนาะไม่ยากอนะ่ะแต่พวกเราเราไม่รู้จักต้นทางพอเริ่มถึงการปฏิบัติเราคิดอันเดียวเลยอันแรกเลยส่วนใหญ่ที่คิดนะทําไงจะบังคับให้ใจสงบได้เราคิดแต่เรื่องอย่างเนี้ยนะ จิตใจสงบมันก็ดีเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่ดีดีกว่าฟุ้งซ่านนะแต่ส่วนใหญ่พอสงบแล้วติดอยู่กับความสงบแล้วชาตินี้ไม่เอาอย่างอื่นแล้วนอกจากความสงบพ้นทุกข์เพราะความสงบเนะมันก็พ้นเหมือนกันนะมันพ้นแบบสีแบบรับพรวมทําใจสงบนิ่งๆพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านะพ้นด้วย ส, สมาธิปัญญาเลยนะเป็นลําดับลําดับไปนะก็ไม่ได้ปฏิเสธสมาธินะ ว่าเหนือกว่าสมาธิก็คือการเจริญปัญญาเราทําสมาธิก็เพื่อให้มีกําลังเจริญปัญญาเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไปหยุดอยู่แค่สมาธิอีกกลุ่มหนึ่งนะทิ้งสมาธิเลยนะไม่สนใจสมาธิเลยรักษาศีลเสร็จแล้วจะเจริญปัญญาเลยข้ามไปบทเรียนหนึ่งศีลสิกษาจิตสิกษาปัญญาศิกษาทิ้งจิตสิกษาไม่สนใจสมาธิเลยอย่างนี้ก็ไปไม่ไหวเหมือนกัน ธรรมะเรียนนะค่อยๆเรียนแต่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะธรรมะที่ต้องเรียนรู้จริงๆมีไม่มากนักแต่ว่ามันแปลกมันลึกซึ้งเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้ฟังเราจับต้นทางไม่ค่อยได้ถ้าจับต้นทางได้แล้วธรรมะง่ายที่สุดเลยการปฏิบัติยังง่ายที่สุดเลยเราพูดอย่างนี้ได้เลยว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยจิตเขาทําของเขาเองถ้าเราปฏิบัติจับต้นทางได้แล้วจิตมันจะทําของมันเอง อย่างคุณหมอรู้สึกไหมเวลาสติจะเกิดก็เกิดขึ้นเองของคุณรู้สึกได้ละเวลาสติมันจะผุดขึ้นมาก็เกิดขึ้นเองสภาวะอะไรผุดขึ้นมามันก็เห็นของมันเองโดยไม่ได้เจตนาของคุณก็พอจะเห็นได้ละมันจะเริ่มเกิดขึ้นเองละถ้ายังจงใจบังคับจะให้เกิดยังทาให้เกิดนะยังไม่ใช่ของแท้หรอกแต่ทาไงสติจะเกิดได้เอง ต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหัดรู้จักไปบาลเล็กบาลน้อยเช่นรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นไงเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนะว่าเผลอบ่อยความเผลอมีหกแบบนะพวกเราฟังไว้นะความเผลอมีหกแบบเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปริ้มรถเผลอไปรู้สัมผัสทางกายก็เผลอไปคิดเผลอทางใจ ที่เกิดบ่อยที่สุดคือเผลอไปคิดหนะลวงพ่อเทียนเลยไปจับเอาตรงคิดนี่แหละนะถ้าไม่หลงคิดสักอย่างเดียวนะแทบจะไม่เผลอ อ, อื่นละเพะฉะนั้นทะ่านจะเน้นตรงที่หลงคิดทนะ่านอาจารย์คำเขียนให้เรียกลักคิด ล, ลองเผลอทางตาสังเกตดูเวลาเราไปมองอะไรนะเราจะเห็นสิ่งนั้นแล้วเราจะลืมตัวเราเองนะลอ ง, งเค่อยนดูพระพุทธรูปก็ได้นะตั้งใจดนะูดูแต่ละองค์ หน้าตาไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมตรนที่เราสร้าง อ, อกสร้างใจดูพระเราจะลืมกายลืมใจตัวเราเองนะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันเลยแค่ไปดูเราก็หลงละลืมตัวเองนะเราไปฟังเสียงเราก็ลืมตัวเองนะลองทดลองดูทดลองดูนะลองฟังเสียงนกนงที่นี่มีนกหลายอย่างนะเราฟังแล้วลองนับดูว่ามีนกกี่อย่าง สึกดขณะที่ตั้งใจฟังเสียงนกนะเราก็จะลืมตัวเราเองอีกเนวะลาฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาดูเราก็ลืมตัวเองนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปขณะที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดนะก็ลืมตัวเองอีกงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเราลืมตัวเองทั้งวันนะเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกนะว่าคนทั้งหลายที่ตายไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปอบายไม่ใช่เรื่องประหลาดเลย เพาะวันหนึง่งจิตเราเป็นอกุศลมากเหลือเกินอกุศลที่มากที่สุดคือหลงไปนั่นเองลืมกายลืมใจตัวเองเพรา ะ, ะ น, นส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายไปสังเกต น, นะคนมีน้อยนะสัตว์มีเยอะนะสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่ๆอยู่ทีละแสนตัวล้านตัวก็ได้นะคนมีน้อยส่วนมากจิตมันจะมีโมหะเยอะหลงเยอะต้องค่อยๆฝึกไป ค่อยๆรู้ไปเรียนกับหลวงพ่อไม่มีอะไรมากไม่ต้องคิดมากนะคอยหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆอย่านงะคุณผู้หญิงเมื่อกี้รู้สึกไหมจิ้มลืมไปนะลืมตัวเองไปเี่ยใจลอยแวบไปทราบไหมใจมันหนีไปแล้วมลืมตัวเองนะหนีไปคิดส่วนใหญ่คือหนีไปคิดขณะที่หนีไปคิ ด, คนนค ด, ด, ด, คดจะรู้รู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างนะบางทีนั่งคิดอะไรมาชั่วโมงยังไม่รู้เลยในทีคิดก็รู้เรื่องที่คิด แต่ว่าลืมตัวเองท่าหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนั้นได้ต้นทางของการปฏิบัติพราะรู้ว่าจิตคิดนี่ได้ต้นทางเพราะว่ามันจะตื่นขึ้นมามันจะหลุดออกจากโลกของความคิดเนะมื่อหลุดออกจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความจริงเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อเทียนเลยสอนสอนดีอีกสอนหน้าฟังนะบอกว่า ถ้ารู้ว่าจิตคิดนี่ได้ต้นทางของการปฏิบัติคนในโลกนี้ไม่รู้ว่าจิตคิตคนในรลกโลกนี้รู้แต่เรื่องที่จิตคิดนะเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัตินะเอาไว้อยู่กับโลกไว้ทํางานหากินนะไว้ทางานไว้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเอาไว้แก้ปัญหาชีวิตนะการคิดรู้เรื่องที่จิตแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติเอามรักเอาผลนะให้รู้ว่าจิตคิตไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิต รู้ว่าจิตมีอาการคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นกายหเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยลืมตัวเองแล้วเห็นไหมไม่รู้ว่าจิตคิดนะรู้แต่เรื่องที่มันคิดมันไลยหนีไปเนี่ยลงไปอย่างเนี้ยอย่าบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองก็ใช้ไม่ได้ลงไปเผลอไปเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติ บังคับกายบังคับใจให้นิ่งเนี่ยศัตรูไมาเลขสองของผู้ปฏิบัติคือความสุดโตกงสองด้านนั่นเองด้านหนึ่งหลงตามกิเลสด้านหนึ่งกดข่มตัวเองข่มให้ใจนิ่งเนียกอัตตะกิลมัทฐานุโยกบังคับให้นิ่งใจลอยไปแล้วนะป้อรู้สึกไหมหนีไปรู้ไปเรื่อยๆนะง่ายเห็นไหมหันไปดูเขาเสื้อแดงอ่ะเห็นหันไปดูเขาลืมตัวเอง หัดไปนั่นก็นั่งคิดไปเรื่อยๆรู้สึกไหมนะรู้สึกไปเนะมื่อกี้ทําอะไรคุณเสื้อขาวเนี่ยเมื่อกี้ทําอะไรก่อนที่หลวงพ่อจะพูดด้วยเนี่ย<อ>มันลืมตัวเองนะมันหลงไปคิดอีกเนี่ยหลงไปคิดนะจริงง่ายง่ายเนีคุณเสื้อเหลืองลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมนะหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวไป ครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะพูดสอนด้วยสำนวนโมหานที่ต่างๆกันแต่เนื้อหาเดียวกันนะหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่จิตออกนอกสังเกตไหมจิตเราชอบหนีไปเรื่อยๆลืมตัวเองหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้สึกตัวเราชอบลืมตัวเองและจิตมันหนีไปข้างนอกนั่นเองหนีไปหาที่อื่นพนะาะเซนบอกชอบให้ตื่นตื่นก็คือหลุดออกมาจากโลกของความคิดโลกของความฝันก็คือรู้สึกตัวเหมือนกัน ในพระใจปีดกก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวเลยก็คือไม่หลงนั่นเองนะพอเราได้ยินคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีเราก็ชักยุ่งเหมือนกันนะตีความนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกทั้งตัวละมั้งรู้สึกตัวทั้งตัวนถ้ารู้สึกตัวเฉยๆคงรู้สึกเป็นบางส่วนของร่างกายนี่ไม่ใช่เลยนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แปลว่ารู้สึกตัวทั้งตัวหรือรู้สึกตัวบางส่วนรู้สึกตัวทั่วพร้อมแปลว่าไม่เผลอนั่นแหละ คุณใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยมันเสลอไปจะหนีไปเองแวบแวบไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ห น, นีตลอดเลยทำอะไรอยู่หุนเสื้อขาวเมอกี้เนี่ยหลงไปนะหลงแล้วไปเริ่มบังคับตัวเองด้วยรู้สึกไหมไม่บังคับตัวเองนะเราต้องการทำวิปัสนาในวิปัสนาเนี่ ย, ยคือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็น ถ้าเราลืมตัวเองเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ได้ทํำมิปัสนาเลยสมถะก็ไม่มีถ้าเราเพ่งเอาไว้เนี่ยกายกระใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเราไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้มันจะนิ่งๆนั่นศัตรูของการทํำมิปัสนาเลยมีสองอันเผลอไปหลงไปเนี่ยก็ลืมกายลืมใจไปเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพ่งเอาไว้ได้แต่สมถะแต่กายกระใจจะนิ่งผิดความเป็นจริง สังเกตดูเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเกือบทั้งหมดของผู้ปฏิบัตินะพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับตัวเองให้นิ่งๆบังคับกายบังคับใจนะี่อัศกถาท่านบอกว่านั่นคืออัธธตตะกิรมาฐานนิโยบังคับตัวเองนะท่านบอกว่าเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลกุศลนะไม่ใช่อภุศลเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะเราบังคับตัวเองควบคุมตัวเองได้เราเป็นคนดีบังคับได้ดีมากๆเลยได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหม แต่ไม่นิพพานนะคนละเส้นทางกันเส้นทางของการควบคุมบังคับตัวเองไม่ทําให้นิพพานทําให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าอยากจะได้มาผลนิพพานต้องรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจนเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกบังคับให้ได้นะฝึกบังคับให้ได้จะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นอัตตาเป็นสิ่งที่บังคับได้เพราะฉะั้นอย่างพวกตือศรีชีไัยทั้งหลายเขายืนยันเลยว่าจิตเป็นอัตตา จิตเป็นอัตตาเวลาตายไปแล้วจิตไม่ตายเยจิตไปรวมเข้ากับผลมหรือปรมาตามันหรือบรมอัตตานั่นเองส่วนศาสนาพุทธเนี่ยจะสอนให้เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจนรู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรานะผู้ที่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา เ, เรียกว่าพระโสดาบันนะผู้ที่ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เรียกว่าพระอรหรันต พนทุกข์เพราะไม่ยึดถือไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะบังคับได้งั้นะแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติเราก็บังคับเลยนะเพราะว่าตลอดเส้นทางในสังสารวัฏนีนะ้นานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งนาะนๆจะมีคําสอนเรื่องวิปัสสนาเกิดกขึ้นสักครั้งหนึ่งนะส่วนใหญ่เราจะฝึกเพ่งกันมาตลอดนะหรือสีชีพลายหรือการทําสมถะนี่ไม่ขาดไปจากโลกนะมีมาตลอด ในศาสนาอื่นเขาก็มีนะอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีนะนับลูกประคำอะไรเงี้ยหรือการที่เขาไปร้องเพลงนะในโบสถ์จิตใจเขาสงบนี่ก็คือหลักของสมถะเหมือนกันนะทางอิสลามเขามีละหมาดวันละห้าครั้งส่วนมลวันมละหครั้งชาพุ้นเราสักครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยยอมเลยนะอย่าแพ้เขานะของเข้าดีเราก็เอาอย่างเขาไดนะ้เขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้ง ของเราถ้าจเจริญสติได้เราก็อยู่กับธรรมะได้ทั้งวันได้ละเอียดการที่ใจเขาคอยคิดถึงพระเจ้าอยู่นั่นก็คือหลักของสมถะนั่นเองนะก็เป็นเทวตานุสติในการคิดถึงเทวดาคิดถึงพระเจ้าจิตใจสงบไม่ไปทำความชั่วนะศา ส, สนาอื่นก็มีนะเรื่องการทำสมถะหรือสีชีพไฟเขาก็ทำส่วนการทำมิพัฒนานานี่เกิดสักครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราจะเข้าใจยากเพราะเราไม่คุ้นเคยอะไรที่มันไม่คุ้นเคยมันก็ยากคนฟังหลวงพ่อไปนะฟังใหม่ๆยากนะแต่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยจะง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งนะชื่อท่านอาจารย์สุจินบริหารวนาัดนักเกตหลวงพ่อชอบฟังท่านมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแต่สุจินสอนดีนะบอกอย่าเพิ่งรีบปฏิบัตินะฟังให้รู้เรื่องก่อน ฟังให้รู้เรื่องซะก่อนทําความรู้จักสภาวะให้ได้ก่อนจนสติตัวจริงเกิดตอนนี้การปฏิบัติอย่างง่ายจะราบรื่นถ้าอยู่ๆเราลงมือกระโจนไปกําหนดรูปกําหนดนามเพ่งไปเพ่งมานะกลายเป็นติดเพ่งไปหมดเลยนะเกือบทั้งหมดของผู้ปฏิบัตินะติดสมถะกระทั่งผู้ที่บอกว่าไม่เอาสมถนะนั่นแหละก็ติดสมถะเหมือนกันนะอย่างบางคนยกเท้าย่างเท้าไปเรื่ยบอกไม่ได้ทําสมถะนะ ไปเกิดปีติขึ้นมานะตัวลอยตัวโครงนั่งอยู่ตัวใหญ่ขึ้นมานะตัวหนักหนักขึ้นมาตัวลอยๆยขึ้นมาตัวเบาตัวโครงโครงขนลุกสู้ซ่านะรู้สึกเหมือนฟ้าแลบปั๊บแลบปั๊บแลบในความรู้สึกนี่เรื่องของสมถะทั้งหมดเลยเป็นอาการของปีติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกระทั่งคนที่บอกว่าไม่ทําสมถนะนั่นแหละส่วนใหญ่ติดสมถะนะเหมือนเหมือนกันหมดนะพวกเรานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะ ค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปว่าวิปัสสนาไม่เหมือนกับสมถะนะวิปัสสนามันเกิดจากจิตนี้มันมีสติขึ้นมาเราเริ่รู้กายตามความเป็นจริงเราลึกรู้ใจตามความเป็นจริงของเราเริ่มต้นจะเริ่มที่การดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะเคยหายใจธรรมดาก็เริ่มหายใจไม่เหมือนธรรมดาละเคยเดินธรรมดาก็เริ่มเดินไม่เหมือนธรรมดานะเราจะมีอะไรที่ดัดแปลงแทรกๆเข้ามาเยอะเลยดัดแปลงมากๆ ใ, ใจจะนิ่งๆ ใจนิ่งๆเราก็บอกปฏิบัติดีตีเหมือนกันนะแต่ดีแบบพรมแบบอือสีฝึกบังคับตัวเองไปเรื่อยๆบางคนดูแต่รูปนะดูแต่รูปไม่สนใจจิตใจเลยบางทเอารูปอันเดียวแล้วเพ่งอยู่ที่รูปเช่นจะขยับมือเนี่ยจะไปหยิบขวดน้ํานะจะเพ่งอยู่ที่มือเลยจนไม่คิดอะไรเลยนะใจจ่ออยู่ที่มือนิ่งนี่ก็คือการเพ่งรูปการเพ่งรูปก็คือรูปประชานนั่นเองทำให้เกิดรูปประชาน รูปไปชานสุดขีดเลยเขาเรียกว่าจตุตถาฌานฌานที่สีนะ่จิตจะเป็นอุเบกขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเหลือรูปอันเดียวเท่านั้นนะถ้าใจน้อมไปในทางที่ไม่ชอบไม่สนใจนามธรรมาเลยนะจิตจะดับลงไปเหลือแต่รูปอันเดียวนะเรียกว่าอสัญญาสัตตาหรือพรมลุกฟักนั่นเองเราจะหมดความรู้สึกตัวเหลือแต่ร่างกายแข็งแข็งอยู่เท่านั้นเองต้อนงะนะค่อยๆเรียนนะค่อยๆระวังค่อยๆศึกษาไป พระพิธรรมดีนะพระพิธรรมแจกแจงสภาวะให้เราดูได้เยอะเรียนก็ไม่ใช่เรียนไว้ท่องจํำดอกเรียนแล้วก็หัดสังเกตของจริงถือถ้าไม่เรียนอภิธรรมในตำราก็าไม่เรียนอภิธรรมของจริงในตัวเรานะฮะพิธรรมของจริงอยู่ที่ตัวเรามีอยู่แล้วอย่างความโลภความโกรธความหลงในสภาวะธรรมทั้งนั้นเกิดขึ้นมาไปรู้ไฟตัวที่รู้ยากคือหลงนะหลงใจลอยหลงไปคิด สังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดมาช่วงหนึ่งพอจะดูออกไหมว่าหลงคิดตลอดเวลาฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปนะขนาดที่คิดจะลืมกายลืมใจนเราล้อหลงตลอดชีวิตเรานะหลงมาตลอดตั้งแต่เกิดเลยเกิดยันตายก็หลงอยู่อย่างนี้ทั้งชาติค่อยๆหัดค่อยๆรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันแต่ไม่ใช่ห้ามคิดนะเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคิดอะไรไม่เป็นไม่ใช่ มีธุระจะคิดเราก็คิดให้รู้เรื่องไม่มีธุระจะคิดเราก็มาฝึกเจริญสติจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรับรองว่าความทุกข์จะหายไปฉับพลันเลยเพราะความทุกข์มันตามหลังความคิดมาอีกทีนึงนะมันตามหลังความปรุงแต่งมาความเป็นตัวเป็นตนของเราก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะงั้นเราฝึกไปเรื่อยเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่ฝึกเพื่อละอัตร า, าตัวตนนะอัตร า, าตัวตนไม่มีอยู่แล้ว แต่มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนงนั้นฝึกรู้กายฝึกรู้ใจไปปัญญาเกิดนี่จะเห็นเลยไม่มีตัวมีตนถ้าเห็นถูกต้องอย่างนี้ก็ได้ทัศนบัติพอรู้ว่าไม่มีตัวมีตนนะค่อยรู้ค่อยดูต่อไปนะจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์ไปเรื่อยๆนะอย่างแต่เดิมเราก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่านึกว่าเข้าใจคาสอนพองพุทธเจ้านะ ถ้ายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์แต่ไม่ได้บอกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างตรับใดที่เรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างปล่อยวางไม่ได้นะเรารู้สึกไหมพวกเราซื่อสุซื่อตรงกับตัวเองนะรู้สึกไหมสร้างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ใช่เป็นทุกข์หรอกรู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าซื่อตรงกับตัวเองนะจะเห็นเลยเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ถ้าเรหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเลยความสุขเหมือนรอยอยู่ในอนาคตตลอดเลยตามไม่ทันแล้วก็มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยเป็นของบางคับไม่ได้ล้วนๆเล ย, ยเข้ารู้ลงไปถึงจุดหนึ่งเลยเขาจะปล่อยวางเลยมันทุกข์นี่มันทุกข์แล้วยาวมันไว้ทําไมจิตมันฉลาดขึ้นมามันรู้ทุกข์แกมแจ้งแล้วมันปล่อยวางเองเลย งั้นการที่เรารู้กายรู้ใจจะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้ว่ากายในี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆรู้ ين, รทุกข์แจ่มแจ้งความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์นี่จะหมดอัตโนมัติเลยความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขที่จะหนีความทุกข์ก็คือตันหานั่นเองคือตัวสมุทัยทําให้จิตดิ้นรนปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติต่อไปเรื่อยๆเงั้นถ้าเรารู้กายรู้ใจจึงเข้าใ จ, จแจ่มแจ้งเลยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติ ปัญหาจะหมดไปเองไม่ต้องอ้อนวอนให้หมดไม่ต้องบังคับให้หมดนะทุกวันนี้เราจะฝึกปฏิบัติเราต้องคอยควบคุมคอยบังคับนะถ้าเรารู้กายรู้ใจอย่างแท้จริงนะมันทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะมันจะหมดแรงดิ้นรนหาความสุขนะหมดแรงดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์มันรู้ว่าหนีไม่ได้นะนจะปล่อยทิ้งเลยเพราะมันไม่มีทางเลือกมันจะปล่อยทิ้งเพรอจิตใจมันหมดความดิ้นรนหมดความทะยานอยากหมดปัญหาเนี่แหละเรียกว่า น, นี้โรดหรือ น, นิพพานนั่นเอง นิพพานคือความสิ้นต dark, ัณหานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานคือความสิ so. ้นตัณหานิพพานคือสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะนิพพานเมื่อมันสิ้นตัณหาสิ้นราคะแล้เนี่ยนะสิ้นความปรุงแต่งใจจะถึงความสงบสุขที่แท้จริงความสงบสุขหรือสันติสุขนี่แหละก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานมีสันติลักษณะสงบสุขนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะ เมื่อไรใจเราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงหมดความอยากหมดความยึดถือในกายในใจตัวเองได้นะเราจะเข้าถึงสันติสุขจะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ไม่ใช่ร้องรอให้ตายแล้วไปเจอนะความสุขนี้เต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตานี่นะี่ะแต่ธาตุขันธ์นี้ก็ทุกข์ของมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสืบต่อไปจกนกระทั่งหมดเหตุของมันหมดอายุไข่ตายไปเพราะงการที่เรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของตัวเอง รู้มากเข้ามากเข้าละสมุทยละความอยากความความยึดได้นะจิตเข้าถึงนิพพานเข้าถึงสันติสุขการรู้ทุกข์จนกระทั่งเกิดสันติสุคนี้แหลนะเรียกว่ามัคงนั้นมัคที่เราต้องเจริญก็คือการรู้ทุกข์คือการรู้กายรู้ใจตนเองเราจะรู้กายรู้ใจตนเองได้ถ้าเรามีสตินะส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะหลงไปสองอย่างหลงไปคิดเอานะหลงตามอารมณ์ไปกับหลงบังคับตัวเองไว สุดโตมีสองข้างนะถ้าไม่หลงไปถ้าใจมันหลงไปเรารู้ว่าหลงนะสติจะเกิดเองนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าหลวงพ่อจะรู้นี่ปางตายเลยนะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ถูกทําขึ้นมาไม่ได้ให้รู้ที่ผิดแล้วมันถูกเองเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองนะถ้าเราอยากทําสิ่งที่ถูกนี่นะตัณหามันแทรกเตั้งแต่ก่อนจะทำแล้วมันอยากปฏิบัติแล้วอยากทําให้ถูกอยากทําให้ดนะีคนไหนมาเรียนกับหลวงพ่อถ้าหลายปียังไม่รู้เรื่องนะ ง่ายนิดเดียวเลยที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามจะทําให้ถูกนั่นแหละแทนที่จะรู้ว่าตอนนี้ผิดไปแล้วผิดคืออะไรหลงไปแล้วหลงไปแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะเราจะตื่นขึ้นมาเองจะถูกเองจะเข้าทางสายกลางเองมันง่ายแค่นี้เองเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเลยเพพระพุทธเจ้าเริ่มต้นสอนธรรมจักรเทศนาการแรกถึงเริ่มต้นถึงสิ่งที่ผิดก่อนสิ่งที่ผิดมีสองงานเริ่มต้นอย่างนี้เลยถ้าไม่ทําผิดเม่นั้นถูกเองนะถูกอัตโนมัติเลย งั้นทำทำพอมันผิดแล้วก็รู้ทันไม่ใช่ห้ามผิดเลยนะแต่จะหลงไปก็ไม่ห้ามแต่พอมันใจหลงไปแล้วเรารู้ทันมันทําไมไม่ห้ามเพราะจิตเป็นอัตตาหรือจิตไม่ได้เป็นอัตตาจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้จิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้สติก็เป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีอะไรที่สั่งให้เกิดได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดงั้นเราก็ทําเหตุของสติไ ป, ไปเหตุของสติก็คือถ้าหลงไปเสือไปนะรีบรู้ทันมัน เนี่ยการที่จิตจําสภาวะทําได้แม่ยมยนยำนั่นแหละทำให้สติเกิดนะถ้าโกรธขึ้นมาระลึกได้ว่าโกรธนะสติก็เกิดนะรู้สภาวะถ้าขยับเห็นรูปเป็นเคลื่อนไหวปั๊บสติก็เกิดนะรู้ร่างกายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ไดนะ้ถ้ารู้ถูกต้องสติก็เกิดอันเดียวกันสมาธิก็อย่างเดียวกันปัญญาก็เข้าใจอันเดียวกันเข้าใจใส่รักปล่อยวางก็อย่างเดียวกันนะงั้นเบื้องต้นแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไร ขอให้เดินไปจนสติเกิดก็แล้วกันพอสติเกิดนะจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วว่าสายไหนสายกายสายจิตสายโน้นสายนี้ไม่มีล้นั้นสายหลอกๆลหรอ ก, อกนะมันเป็นแค่จุดสร้างส้นที่แตกต่างกันตามจริตนิสยัยนะอย่างเราฝึกท้องยุบไปจนสติเกิดนะกับคนฝึกหายใจมาแล้วสติเกิดคนดูจิตแล้วสติเกิดนะสติก็เหมือนกันนะนะั่นแหละพอสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติไประลึกรู้กายบ้างระลึกรู้ใจบ้างเลือกไม่ได้แล้วนะ จุดตั้งต้นอาจจะเริ่มมาจากกายแต่สุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งใจจุดตั้งต้นอาจจะเริ่มจากจิตสุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งจิตรู้ทั้งหมดเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนานเดียวกันธรรมานุปัสสนานเนี่ยรู้ทั้งรูปทั้งนามมันรู้ได้เองไม่มีอะไรยากนะง่ายแต่จับต้นทางให้ได้ต้นทางคือหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อ ย, ยใจลอยแล้วรู้ไหม หัดอย่างนี้ยหัดสังเกตสภาวะไม่ต้องคิดเลยนะว่าทํายังไงจะถูกไม่ต้องคิดหรอกว่าทํายังไงสติจะเกิดหลงไปคิดแล้วทราบไหมอยากพูดแล้วทราบไหมมันมีแรงดันในหะน้าอกรู้สึกไหมเวลาอยากพูดอยู่มีแรงสั่งสั่ยหัดรู้จักสภาวะนะเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องถามเลยก็ได้นะหัดดูสภาวะลูกเดียวไปเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยฟังไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาฟังไม่รู้เรื่องแล้วงง งงรู้ว่ากําลังงงอยู่นั่นแหละกําลังปฏิบัติอยู่แหละนะยั้นหัดรู้สึกไปเมื่อสองปีก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะบอกไปฟังหมาข้างบ้านเหาา่าแทนะกลางคืนจะนอนแล้วหมามันเห่าไม่เลิกนะโมโหนะโมโหรู้ว่าโมโหมปฏิบัติเนี่ยทอย่างนี้นะง่ายจะตายไปในะคยรู้สภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นมาโดยเฉพาะพวกเราพวกปัจจชนเนี่ย แนะควรจะดูจิตใจของตัวเองนะพวกพวกคิดมากนะให้ดูจิตเขาเรียกว่าพวกทิดผิจริตพวกคิดมากควรจะดูจิตนะพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายนะแต่การดูกายต้องทําสมา